ผู้ตึงการเจริญเมตตากรรมฐานกรรมฐานที่ลงแบบติดตัวไวในชีวิตปัจจุวันกรรมฐานที่ได้ป้องกันรักษาจากทูตสาปฏิกขากิเลสก็ลยกมานอารักขากรรมฐานกรรมฐานที่ได้เจริญถึงระดับบัลลุมภปณิพน กรรมฐานที่ได้อานิสงส์หลายประการพระบรมศาสดาก็าสรุปในส0บข้อหรือว่าเป็นอานิสงส์ิบเปดประการอานิสงส์ิบเป็ดประการก็เริ่มจากนี่แหลการแบบนี้ก็เป็นนอนเป็นซุปแล้วก็ไปถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่แหละถ้าพวกเราจเจริญเมตตากรรมฐาน อย่างถูกต้องมันทำให้เขาเป็นคนที่มีสุขกายสุขใจและก็ดำรงชีวิตอย่างสุขและก็เรื่องที่สำคัญคือ mm. เขาสู่อริยมรรคไมีอมแปดได้ด้วย mm. เพราะฉะนั้นก็ mm. เราก็รู้ว่าเวลาเราจเจริญกรรมฐานตอนต้นเราต้องอาศัยหรือก็เป็นการตึกต่าง เราต้องพยายามจเจอี่กรรนดหรือมานสิการกรรเมตตาหรือกรรมบริกรรมเกี่ยวกับเมตตาต้องมณนสิการมันทำให้ทีละทีละนิดเมตตาจิตเกิดขึ้นมีบทหนึ่งที่บักเราลืมไม่ได้พูดถึงการเจริญเมตตากรรมฐานาบทนั้นคือการณียเมตตสู แต่เราก็ไม่ได้อธิบายทั้งหมดนะโยมเฉพาะเลือกส่วนที่อธิบายการเจริญเมตตากรรมฐานสำหรับในครั้งนี้นิทานในกรณีเมตตาสูตรก็ชีให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้เจริญเมตตากรรมฐานแม้เดินยืนนั่งนอนสู่ตายนี้ก็ได้นี่แหละ เทวดาก็มาดูแล ร, รักษาอย่างไรจนตึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานว่าทบทวนนิดนึงเกี<ม>่ยวกับนิทานสมัยปุตตการก็มีบรรดาพระปิสุสงเราจะถ้าจำไม่ผิดนะโยาจะเป็นสักหกสิบรูปเข้าไปในปา่าห่างจากเมืองสาวัตถีจงนั้นก็พอดี คำลังจะเข้าบรรษาก็เลยก็ได้เห็นรมณนียสต า, านแบบสถ า, านที่น่าอยู่น่าปฏิบัติมีต้นไม้มีลำธารมีน้าทุกสิ่งทุกอย่างก็สับปะยะบรรดาพระภิกุสง์เขาอยู่สักสองสามวันความจริงก็สถ า, านที่นั้นเป็นสถ า, านที่เรียกว่าเป็นเทวดา มีสถิตวิมานที่บนต้นไม้หลา่ๆต้นนี้แหละตั้งแต่วันแรกพระภิกษุรง์มานั่งปฏิบัติกนไมาพวกเทวดาก็อยู่บนต้นไม้ไม่ได้ด้วยเดชอนุภาพของพระภูมิสีเทวดาก็นี่แหละตรง ลงมาจากบนต้นไม้แต่ก็เขาก็ยินดีเขาคิดว่าเดี๋ยวจะพระมาอยู่สัก์สิสามวันเดี๋ยวจะกลับไปแต่อยู่ศัก์สทสามวันก็กาลังจะเข้าพรรษาพอดีปราก็มีกา ร, รก็เป็นประชุมกันและก็บอกว่าทาั้งทั้งหลายสถานที่นี้เป็นสถานที่น่าอยู่น่าปฏิบัติ ดังนั้นเราคิดว่าทีนี้ควรจะอธิษฐานพัรษาทุกรูปก็เห็นด้วยเวลาพระสนทนาแบบนี้เทวดาก็เหมือนแบบแอบฟังอยู่ตกใจกันตกใจกันว่าตลอดสามเดือนแสดงว่าพวกเราคืน บิมาณของเราไม่ได้ถ้าพระอยู่ที่นี้นานขนาดนั้น